บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์ตรัสถามด้วยคําถามนั้นโดยสรุปจึงตรัสพระดรํารดเมียที่ว่าโลพังพิกเวเอกะธรรมังดังนี้ในบทว่าโลพังนั้นเพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้เนี่ยอธิบายสัพว่าโลภะใชยๆนะครับว่าชื่อว่าโลภะด้วยอัธถาว่าเป็นเครื่องอยากได้นะอันนี้ก็อธิบายในลักษณะอะไรครับ การณใช่ั้ยครับเป็นเครื่องอ่ะ น, นะเกี่ยวกับไวยากรณ์อ่ะ น, นะนะครับแล้วก็ตัวโลภ้าเนี่ยนะเป็นสภาวะที่อยากได้นะครับหรือว่าเป็นเพียงอยากได้เท่านั้นตรงนี้ก็ไ ว, ว้วิเคราะห์สัพนะครับตามหลักไวยากรณ์ให้เห็นว่าโลผ้านั้นบางทีก็เป็นในฐานะเป็นเครื่องมือของคนอยากหมือนั้นเถอะกัสำนวนที่บอกว่าอะไรนะถ้าตัดต้นไม้เนี่ยใช้อะไรตัดแก้ขวนตัดใช่ ถ้าคนชอบกันเนี่ยใช้อะไรชอบโลภะนั่นแหละเป็นเครื่องทําให้ชอบนั่นแหละก็มัดด้วยโซ่ว่างนั้นเถอะนะอันนี้ก็ว่าโซ่ตรวนทางใจก็โลภะนั่นแหละโลภะนี่มันทําให้ชอบเห็นไหมโลภะนี่แหละบางทีก็หมายถึงสภาวะที่ชอบขึ้นเองนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ความโลภนั้นเพิ่งเห็นว่ามีลักษณะยึดอารมณ์เหมือนลิงติดตังนะครับลิงติดตังที่เหมือนกับเข้าตังมันเป็นแผ่นนี่มันติดหนับไปหมดเลย เห็นอารมณ์อะไรมันก็ติดเนบไปหมดเลยนะครับลักษณะนี้แหละครับมันอะไรอวบมันเห็นแล้วก็ยังขนาดหันไปที่อื่นนะภาพอันนั้นก็ยังติดตามไปด้วยเรื่อยๆนี่ลักษณะของโลภะมันติดแบบนั้นนะครับมีการเกาะเกี่ยวอารมณ์เป็นกิจหน้าที่ของเขาคือเกาะเอาไว้นะครับดดชิ้นเนื้อที่เขาใส่ลงในกระทะร้อนกระทะร้อนๆที่ตั้งไฟแรงๆเนี่ยนะ แล้วเอาเนื้อแปะเข้าไปนะพอยกเนื้อขึ้นเนี่ยมันติดเนื้ออยู่ในนั้นเลยนะครับไอโลผ้าอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันไปพันเอาไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดนะนี่คือหน้าที่ของเขาเกาะเกี่ยวเอาไว้นะครับเหมือนกับถ้ามีน็อดมีอะไรรีบไขขันเอาไว้ให้นะมีการไม่บริจาคเป็นผลดุดสีแห่งน้ามันและยาโยตาคือหมายถึงว่าถ้าสายติดแล้วไม่มีตกนะครับว่างั้นเถอะ เต ด, ดก็อยู่นั่นแหละครับมีทัศนะในอัศาธาะนะครับหมายค่าว่ามีความเห็นที่เป็นไปกับอัศาธาะนะหมายค่าว่าความเห็นที่เป็นไปกับความเพลิดเพลินความยินดีนี่แหละนะหรือว่าไอความยินดีในธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดเนี่ยนะครับเป็นที่ยึดถือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้นคือ น, นะทัศนะในอ ส, สาธะเนี่ยนะครับทัศนะในอ ส, สาธาก็คือความเห็นที่เป็นไปกับอ ส, สาธะความเพลิดเพลินนั่นเองนะครับถามว่าเพลิดเพลินที่ไหนครับในธรร ม, มะที่น่ายินดีนะในธรร ม, มะเป็นเครื่องผูกมัดเนี่ยสังโยชนียธรรมก็คือขันธ์ทั้งหลายใช่ไหมครับขันธ์โลภะเนี่ยถามหาเขาที่ไหนครับถามหาว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เขาเกิดเนี่ย น, นะก็คือสิ่งที่รักที่ทบใจเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโลภะนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีของดีๆงามๆไปต้นนะโลภะมันก็ปรากฏแถวนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะดูวัตตบะแน่จริงก็คล้ายๆกับว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาล่อดูนะเอาเหตุใกล้เหล่านี้มาเพาะดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับแต่ก็พวกเร า, าอย่าไปลองเลยนะครับอันตรายแต่ให้รู้ว่าเออนะไอ้พวกนี้แหละมันเหตุใกล้ของโลภะนะครับ โลพาเนี่ยเจริญและผุดขึ้นเสมอโดยเป็นแม่น้ำนะครับมันไหลไปเรื่อยนะมันประจําว่างแต่พันแม่น้ำคือตันหาเนี่ยนะครับพัดพาสัตว์ไปสู่อบายดุดแม่น้ำมีกระแสเชี่ยวพัดพาสัตว์ไปสู่มหาสมุทรฉะนั้นนะถ้าหากวันนึกถึงในสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับพระเจ้าวิทูถภาเนี่ยนะถูกตันหาเนี่ยพาลงอบายนะครับ ตันหาก็ทำให้ไปรบใช่ไหมครับตันหานี่แหละแผดเผาเนี่นะตันหามก็ะร่วงกับมานะนะที่ถูกสักยะมินนะเนช่ยา ค, าคือต้นเหตุจริงๆอ่ะราคานะครับราคานะมานะนะราคาที่เป็นไปกับมานะนะตอนหลังพอค่าเขาเสร็จแล้วก็มานอนอิ่ม อ, อกอิ่มใจนะที่ชนะสักยะหมดแม่น้ำก็พาดไปเลย คนที่ถูกตันหาครอบงำ า, ม, ม, า, ม, ามากลักษณะนี้ก็ทําบาปทํากรรมเสร็จก็ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตในรกนะครับโลภะศัพท์นี้เป็นสําคัญที่ว่าด้วยความโลภทั้งปวงก็จริงแต่ในที่นี้เพิ่งทราบว่าเป็นคําที่ว่าด้วยความกําหนัดในกามเพราะความโลภนั้นถูกอนาคาหมิมค่าถ้าใช้คําว่าโลภะนะครับโดยทั่วๆ่วไปแล้วตามหลักเนี่ยหมายถึงโลภะทุกชนิด น, นนะแต่ในที่นี้เฉพาะในสูตรนี้นะเอาส่วนย่อว่างั้นเถอะไม้เอาเฉพาะโลภะที่ละด้วยนาคามี น, น, นะจริงโลภะชั้นสูงอีกก็มีอีกใช่หครับรูปปราคาอารูปปราคาเนี่ยนะอันนั้นก็โลภะแต่โลภะ น, นั้นต้องละด้วยอรหัตตมรคนะแต่อันนี้ไม้เอาโลภะที่ยินดีในการมนพระนาคามีละอันนี้ก็เป็นนย่อีกนยะหนึ่งนะครับวิธีขยายข้าเอาเต็มมาก่อน เอามาให้ดูเต็มก่อนแล้วก็หยิบเอาประสงค์บางส่วนเท่านั้นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นจิตนะครับจิตทั้งหมดนี้ถ้าใช้คําว่าจิตโดดๆเนี่ยหมายถึงจิตทั้งหมดเลยนะครับแปหรือ121ดวงแต่ถ้าบอกว่ากามจิตนี่แสดงว่าเอาส่วนย่อยในทั้งหมดนั้นมาไม่ประสงค์เอาทั้งหมดเอาแต่ส่วนย่อยอ ย, อย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นหลักการขยายของอัตถะ ฐ, ฐานอีกพิธีหนึ่งนะครับ บทว่าปุณณะพิกเวนี้เป็นคำร้องเรียกเพื่อให้ภิกษุผู้หันหน้ารับธรรมะเกิดความเอาใจใส่ในธรรมะนะครับก็ยังร้องเรียกซ้ำอี ก, ก น, นะพูดเรียกพระภิกษุเนี่ยนะครับให้หันมาสนใจให้เอาใจใส่ในในคำสอนเหล่านี้นะหวังนั้นเถิะนี้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักการบรรลุป h a นะ a ด้วยบทว่า ปชาหะตะเนี่ยนะครับการละนะก็นะคือตรงนี้ท่านจะประชุมมารยาัตร์ให้เห็นนะครับคือถ้าเราอ่านพุทธพจน์เฉยๆนะว่ า, เ, าเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับเขบอกว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนะไหนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภได้เรา เป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระนาคามีเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราอ่านเฉยๆเฉพาะลำพังเราเองเนี่ยนะครับเราส่งข้ออริยสัจดูสิครับแต่พระตถาคตอาจารย์เนี่ยนะครับท่านสงเคราะห์ลงอริยสัจให้เห็นชัดเจนเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าการบรรลุปหา r m เนี่ยนะครับด้วยปัญหาฐานนี้อันหนึงการบรรลุปหานะนั้นย่อมเป็นไปกับด้วยการบรรลุ ปริญญาสัชกิริยาและภาวนาด้วยไม่แยกกันเลยคือในขณะอริยมรรคเนี่ยบรรลุพร้อมกันนะครับอริยสัจสี่เนี้บรรลุพร้อมกันคือสมุทัยสัจเนี่ยปหานะทุกสัจนี้ปริญญานิโรสัจสัชกิริยามรรคสัจนี้เป็นภาวนาเพราะในขณะโลกุตระมรรคเนี่ยจะไม่แยกกันเลยนะครับกิจพร้อมกันเลยนะครับเป็นอันว่าท่านจัดแจงกิจแห่งสัมมาทิฏฐิสอย่าง ในอริยสัจสีนั่นเองนะครับคือตัวสมาธิฐิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับชื่อว่าทำกิจสี่ประการขณะเดียวกันทำกิจอะไรบ้างหนึ่งทำกิจปหานะคือละโลภะอย่างหนึ่งทำกิจกําหนดรู้ทุกขสัพท์เนี่ยอย่างหนึ่งทำกิจเห็นนิพพานเนี่ยอย่างหนึ่งทำกิจเจริญภาวนาด้วยขณะเดียวกันนั่นแหละครับ น, นะพั้นถ้าต้องการรายละเอียดก็ดูในวิสุทธิมรรคนะครับ นะที่อธิบายว่าทำรรกิจพร้อมกันเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ให้เห็นว่าสั ม, มาธิฏินะคือตัวปัญญาที่ในมัคคจิตเนี่ยนะครับทำกิจสี่ประการในขณะเดียวกันเลยเพราะถ้าหาว่าไม่ทํากิจพร้อมกันอย่างนี้ละกิเลสไม่ได้นะครับอันหึงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอละโลภะดังนี้ก็เป็นอันตรัสถึงการละแม้โทสะเป็นต้นด้วยนะครับ สัมปยุตรธรรมหรือบาปอากุศลอย่างอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ได้กล่าวถึงก็เชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยเพราะมีความเป็นอันเดียวกันกับปหานะคือหมายคำว่าอาาคามีมากเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ละแต่โลภะอย่างเดียวเท่านั้นละโทสะเป็นต้นด้วยนะครับ เ, นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องละเหมือนกันชั้นใดเมื่อการบรรลุปหานะอันเป็นกิจแห่งสัมมาทิฏฐิ อันเป็นวิสัยแห่งสมุทัยสัตวเนี่ยนะครับอันพระองค์ตรัสแล้วก็เป็นอันพระองค์ตรัสถึงวิสัยและกิจของสมุทัยสัตว์นะครับแล้วฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้สงเคราะห์หรือประมวลหน้าที่ของอริยมรรคให้ลงพร้อมๆกันได้นั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงสัมมาทิฏฐิก่อนแม้องค์มรที่เหลือมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นอันเป็นเหตุทําร่วมกันคือหมายความว่าเป็นสัมปยุตการแห่งสัมมาทิฏฐิ นั้นนั่นเองเพราะเหตุนั้นเพิ่งเห็นว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความขวนขวายในอริยมรรคที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะบอก ว, ว่าเธอทั้งหลายละโลภะนะไอทีละเนี่ยนะอะไรเป็นตัวละครับ ก, <anz> ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองทีนี้ถ้าใช้คำว่าละอย่างเดียวเนี่ยนะครับอริยศาสต์สีเนี่ยบางอย่างตรัสรู้ด้วยการละบางอย่างตรัสรู้ด้วยการเจริญ บางอย่างตรัสรู้ด้วยการทําปริญญาบางอย่างตรัสรู้ด้วยสัจจิกิริยาก็ขณะเดียวกันนั่นแหละทีนี้สัมมาทิฐิเกิดขึ้นเนี่ยนะครับองค์มรติสัมมาทิฐิเกิดโดดๆไม่ได้นะครับจะสั้สัมมาสังกัปปะเป็นต้นที่สัมปยุต ธ, ธรรมเนี่ยนะครับที่ทํากิจพร้อมกันอนุวัตตามสัมมาทิฐิก็เกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันในขณะนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าพูดสัมมาทิฏฐิหรือว่าพูดคําว่าละอย่างเดียวนี่ยนะครับอริยมรรคนะครับจึงจะทํากิจละได้ละกิเลสเหล่านี้เพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เท่ากับกล่าวอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเพรา ะ, ะนั้นความที่ท่านกล่าวถึงความขวนขวายในโพธิปัจจัยธรรมมีสติประฐานเป็นต้นไว้ในที่นี้ย่อมมีโดยในยะนี้นะครับเพราะว่า ในขณะอริยมรรคขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสติประธาน4นะครับสติที่เรียกว่าสัมมาสติก็เป็นเรียกว่าสติประฐาน4เป็นต้นนะครับนะอินทรี่ห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรรคมีองแปรหรือว่าอิทิบาทก็ประชุมพร้อมกันในขณะนั้น น, น, นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโพธิปักขยธรรมถึงไม่เอามาพูดทั้งหมดนะใช้คําว่าละอย่างเดียวประชุมโพธิปักขยธรรมทำที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมรรคสัจจะเข้ามาหมดเลยนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ตรัสเท่ากับพระองค์นี้แสดงประกาศอาริยสัจ ร, ระดับอนาคามีมักอย่างบริบูรณ์เลยนะครับนะประกาศาการบรรลุมรรคผลในระดับอนาคามีอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์นะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องอาศัยนัยะทั้งหลายเข้ามาประกอบความนะครับเอาหลักวิชาการในที่อื่นๆมา ประมวลลงมาเพื่อที่จะได้เห็นเข้าใจตรงนี้อธรคถาเท่านั้นนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งในสูตรนี้นะครับท่านกล่าวถึงปหาณะปริญญาคือทั้งหมดปริญญามี3ใช่ไหมครับคือยาตะปริญญาตีระณะปริญญาปหาณะปริญญาเนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ปหาณนะประิญญาเนี่นะครับเป็นตัวทากิจละกิเลสเพราะฉะนั้นในบทว่าปะชะหาธรรมนี่นะครับ หมายถึงตัวปหานะปริญญาทีนี้เมื่อเมื่อพูดถึงปหานะปริญญาเนี่ยนะครับปริญญาทั้งสาก็เท่ากับพูดแล้วเหมือนกันถามว่าพูดยังไงก็เพราะว่าปหานะปริญญาเนี่ยนะครับอาศัยอะไรเป็นฐานให้นะครับฐานของปหานะปริญญาก็คือตีระปริญญาแล้วฐานของตีระปริญญาคืออะไรครับก็คือยาตะปริญญาเพราะฉะนั้นโหพูด ปารนาปริญญานะปริญญาที่เหลือที่เป็นบริวารก็เท่ากับเรียบร้อยแล้วกล่าวแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าพูด3ามเนะสอหนึ่งไม่พูดได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นพูดแต่3ก็พอ2 1ก็เท่ากับพูดแล้วเพราะว่าถ้าไม่มี2จะมี3ได้เหรือถ้าไม่มี1จะมี2ได้หรือก็เป็นไปตามลําดับแบบนั้นนะครับเพราะในที่นี้เพิ่งเห็นอย่างนี้ว่าท่านประกาศกระทํำ จะตุสัจจะกรรมฐานให้บริบูรณ์พร้อมด้วยผลเพราะฉะนั้นอริยมรรคอริยผลระดับอนาคามีมรรคอนาคามีบุก็แสดงไว้อย่างบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสงเคราะห์ลงวิสุทธิที่7นะครับว่าคำสอนที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นวิสุทธิทั้ง7ได้ยังไงนะครับเป็นวิสุทธิทั้ง7ก็คือว่า ท่านแสดงยาณทัศนวิสุทธินี่นะครับความหมดจดแห่งยาณทัศนพร้อมด้วยผลนะครับคําว่ายาณทัศนวิสุทธิอันนี้เป็นชื่อของอนาคามีมัจนะถ้าพูดอนาคามีมัจอนาคามีผลก็เท่ากับแสดงแล้วนะครับก็ยาณทัศนวิสุทธินั้นมีปฏิปทายาณทัศนวิสุทธินี่นะครับเป็นเป็นที่อาศัยใช่ไหมครับ ทีนี้แล้วยานทัศนวิสุทธิก็มีมคามขยานทัศนวิสุทธิเป็นที่อาศัยมคามขยานทัศนวิสุทธิก็มีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นที่อาศัยกังขาวิตรณวิสุทธิก็มีทิถิวิสุทธิเป็นที่อาศัยทิถิวิสุทธิก็มีจิตตาวิสุทธิเป็นที่อาศัยจิตตาวิสุทธิก็มีศีลวิสุทธิเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้าพูดวิสุทธิที่7นะครับ ข้อที่7เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวิสุทธิ์อื่นๆก็เท่ากับแสดงแล้วนะครับพร้อมทั้งผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเมือ่อเมื่อคนที่จะต้องเดินทางด้วยรถ7จลัดเนี่ยนะครับพอพูดถึงรถผลัดที่7แล้วนะผลัดหกหลัดสีลัดสามลัดสองผลัดหก็ไม่ต้องพูดแล้วพอถ้ามไม่ผ่านผลัดเป็นต้นเหล่านั้นมาเนี่ยจะมาถึงผลัด7ได้ยังไงนะครับ อันนี้ก็สงเคราะห์ลงแนวรัฐวินิตสูตนะครับสงเคราะห์ตามแนวรัฐวินิตสูตรให้เห็นชัดขึ้นนะครับเพราะเหตุ น, นั้นเพื่อทราบ ว, ว่าท่านแสดงวิสุทธิเจ็ดแม้ทั้งหมดพร้อมด้วยผลโดยความที่มีลำดับต่างๆกันเพราะว่ากุศลธรรมเหล่านี้จะต้องบำเพ็ญไปโดยลำดับอยู่แล้วนะครับคือบางขั้นก็บอกว่ า, วาโหนี่ง่ายพระพุทธเจ้าสอนให้ละทีเดียวพูดไปเลย ถึงสอนละแบบนั้นก็ต้องมีลำดับนะครับเพราะพระองค์ตรัสว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยลาดลุ่มเหมือนทะเลนะครับคําสอนของพระองค์เนี่ยนะศาสนาของพระองค์เนี่ยลาดลุ่มโดยลําดับใช่ไหมครับเหมือนทะเลที่ลาดลุ่มโดยลําดับธรรมวินัยนี้ก็ลาดลุ่มโดยลําดับเพราะมีอนุปปพะเสขาอนุปปพะกิริยาอนุปุพภะปฏิปทานนั่นเองนะครับจะต้องมีการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติการกระทําไปโดยลําดับนะครับ ถ้าผิดลำดับแล้วไม่ใช่ฐานะไม่โกรกชันเหมือนกับเหวหรือเขาขาดนะครับมันสังเกตดูนะว่าเท่าที่ผ่านมาก็สรุปเป็นอะไรบ้างครับสรุปลงในกิจของอริยศาสตว์สสงเคราะห์เป็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงเคราะห์อย่างลงโพธิปัจขยธรรมสงเคราะห์ลงปริญญา3สงเคราะห์ลงวิสุทธิ7ให้เห็นโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับนนะทีนี้ก็จะกล่าวโดยสรุป วิธีปฏิบัตินะครับจะ ก, กล่าวโดยสรุปถึงวิธีปฏิบัติที่กล่าวแล้วนั้ น, น, นว่าอันผู้ประสงค์จะละความโลภเนี่ย น, นะครับด้วยการบําเพ็ญปริญญา3ามนะมาขับเน้นถึงข้อปฏิบัตินะครับคือปริญญา3ามนะเพื่อความบริสุทธิ์นี้พึงพิจารณาถึงโทษของความโลภในชั้นต้นนะต้องรู้จักพิจารณาโทษของความโลภนะแล้วปฏิบัติเพื่อละความโลภนั้นทีนี้วิธีพิจารณาก็ต้องตาม แบบบทพระสูตรเป็นอาทิอย่างนี้คือนะมีอาทิอย่างนี้คือไม่ใช่พิจารณาความโลภกันมานั่งเดาเอาเองนะครับไม่ต้องเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโลภเนี่ยนะว่านะในสูตรเป็นต้นนะทั้งว่าความโลภให้เกิดความพินาศหมายถึงว่าอนัต t h นะครับอนัตถะหมายคือว่ามันทําให้เกิดอนัตถะโดยประการต่างๆนะใช่ไหมครับในความโลภเนี่ยนะถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายแหลที่ทํากันขึ้นนะครับแม้กระทั่งการทําทุจริตกรรมทั้งหมดเนี่ยก็มีความโลภนันแหละทําให้เกิดขึ้นเหมือนกันเด็เพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยมันทําให้เกิดความพินาศทําให้ประสบกับสิ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเราคิดดูนะครับว่าสัตว์ที่ร้องอยู่ขณะนี้นะครับเสียงจริดแมลงที่บินว่อนอยู่เนี่ยนะครับ แม้กระทั่งสัตว์ที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยนะก็มีความโลภนั่นแหละครับทําให้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยทําให้พินาศแบบนั้นนะครับความโลภย่อมยังจิตให้กําเริบนะครับจิตที่ของใครที่เป็นไปกับโลภะนี้ก็กําเริบแล้วนะครับหวันไหวใช่ไหมครับพรอมีอุทธจจเกิดร่วมด้วยเนะี่ยนั้นตัวตัวโลภะตัวนี้มันทําให้จิตกําเริบนะครับสํานวนเขาบอกว่าถ้าในในธรรมบทใช่ไหมครับ น้องผ่า อ, อนุรุ ธ, ธาเนี่ยพอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับเทวดาองค์หนึ่งก็บอกแหมเห็นแล้วตามันจะถลนออกมานอกเบ้าเหมือนตาปูเลยว่างั้นเนีอยว่าจะ ง, งามประน่านหนังั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็บอกโอ้โหใจเนี่ยเหมือนกลองศึกว่างั้นเถะมันรัวตุ่มตับตุ่มต่ำตุมต่ำไปหมดเลยนะเคยไหมครับเห็นนลใครแล้วใจนี่มันหวันไวขนาดนั้นนะเรียก ว, ว่า โอ้ยบางเหตุบางคนเขาบอกว่าเห็นแล้วใจนี่มันวันไว้เหมือนกับทงเนี่ยนะครับสะบัดด้วยลมตีว่า ง, งั้นทางมาใจนี่มันวันไว้นะครับเทา้าสก่าบอกว่าโหถ้าหากว่าไม่ได้นะคงไม่มีชีวิตยอยู่แน่วา ง, งั้นนะหนักขนาดนั้น น, นนะะเพราะฉะนั้นมันทําจิตให้กําเริบขนาดนั้นแหละครับไปโลภะอันนี้เนี่ยนะภัยเกิดแต่ภายในชนย่อมไม่รู้ถึงภัยนั้นนะครับภัยเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นคุณบ้างครับ ภัยไม่ว่าจะเป็นภัยในอบายทุกขติวินิบาศนรกภัยเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาศัยโลภะเป็นเหตุภัยเหล่านั้นเนี่ยคนโลภก็ไม่รู้สึกใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ความโลภตัวนี้นี่แหละมันนําปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะครับคนโลภย่อมไม่รู้จักอัฏฐะนะนะอัฏฐะนี้องค์ทําได้แก่อะไรครับคนโลภนี่จะไม่รู้เนื้อความแห่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยนะ ไม่รู้อัธาเนี่ยความหมายของคําสอนเนี่ยคนโลภจะไม่รู้เลยคนโลภจะไม่เห็นทุกขสัตว์จะไม่เห็นนิโรธสัตว์อะไรสักอย่างเลยนะครับคนโลภเนี่ยนะครับคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมคือภาพปริยัติธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสไว้ก็ไม่เห็นเนี่ยนะขณะที่โลภเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่โลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่านี่สมุทัยศาสตร์นะแล้วก็ปกปิดมรรคสัตว์หมดเพราะฉะนั้นอ่าคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมนะครับ ความโลภครอบงําคนผู้มืดบอดตลอดการครอบงําให้บอดตลอดไปเนี่ยนะครับบอดตาใสนะนะพวกเราอ่ะนะดูเหมือนไม่บอดนะครับแต่ก็บอดอ่ะเพราะถามว่าถ้าพูดว่าไม่บอดนะเคยเห็นอริยสัจไหมล่ะถ้ายังไม่เคยเห็นก็นั่นแหละครับบอดสนิทแล้วครับเห็นไหมตอนนี้ก็ยังไงก็อย่าทิ้งเชือกกันแล้วกันถ้าบอดสนิทนะครับไม่ทิ้งเชือกเกาะเชือกไว้นะครับเชือกในที่นี้หมายถึง พระัตนตรายนะครับพระัตนตรายนะครับเกาะพระัตนตรายไว้นะครับเพราะฉะนั้นพระัตนตรายนี่แหละครับจะพานะครับหรือพระรัตนตรายนี่แหละครับจะล้างตาให้สะอาดขึ้นนะครับขณะที่ศึกษาเรียนรู้คําสอนนี่ก็ล้างแล้วนะครับเริ่มล้างไปแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสุดตะพุทธะไว้ก่อนก็พอรู้เราเราว่าอะไรเป็นอะไรก่อนก็ยังดีนะครับแล้วก็อธิขถาอย่างเรียบเรียงสูตรต่างๆมาให้เห็นอีกว่าคนที่ถูกราคะย้อมครอบงำ มีจิตยึดถือแล้วเนี่ยนะครับถ้าโลภะมันกําเริบแล้วนะย่อมฆ่าสัตว์บ้างเช่นราษฎรฐานะมันครอบงำอยากกินเนื้อเนี่ยนะครับนายโคขาดเนี่ยนะเนื่องจากชอบกินเนื้อมากเนี่ยนะ ร, ราษฎตัาหานั้นครอบงำเนี่ยนะก็เข้าไปอะงัดปากวัวแล้วก็ตัดลิน้นออกมาเอาไปปิ้งเลยนะครับเนี่ยตอนหลังตัวเองก็ต้องตายเนี่ยนะตอนหลังนั้นความโลภอันนี้เนี่ยนะครับทําให้ฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับลักทรัพย์บ้างเนี่ยนะ แล้วก็ตัดช่องย่องเบาบ้างปล้นสะดมบ้างทำคนอยู่เรือนหลังเดียวบ้างนะครับตกอยู่ในอันตรายบ้างล่วงเกินภรรยาคนอื่นบ้างพูดปลดบ้างนะครับหมายความว่าถ้าตัวโลภะมันกำเริบเลยนะครับบาปอากุศลธรรมทุจริตกรรมทั้งหลายแลไม่ว่าจะเป็นกายะาิทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็จะครอบงาย่ำยีแล้วนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหึงหึงห้วงหเป็นต้นเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่โตแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยมันครอบงํายึดจิตแล้วก็ก่อกรรมทําชั่วอย่างอื่นอีกมหาศาลเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาถึงโทษอันนี้ด้วยนะครับในถ้าหากว่านึกถึงพผ้ารหารทั้งหลายนะครับผ้ารหารเนี่ยมองเห็นตัวโลผะเหล่านี้นะีมือนหลุมฐานเพลิงนะครับเวลาโลภ้มันเนี่ยนะท่านพิจารณาสมุทัยศัตร์อันนี้เหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะครับในโลภะเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในพบใดๆเพราะท่านรังเกียจโลภะขนาดนั้นนะครับตัณหานั้นสมณะพราหมณ์ผู้เจริญไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตกอยู่ในตัณหาก็ทําให้สะดุง้งวันไหวได้เหมือนกันเดี๋ยนะถ้าหากว่าไม่รู้ไม่ไม่เข้าถึงสภาวะเหล่านี้เลยนะครับหมายความว่าไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับจิตก็วันไหวตลอดเลยนะครับ โลภะเกิดขึ้นมันหวั่นไว้อยู่แล้วนะครับบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดเวลายาวนานไม่เล่องพ้นสงสารันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับไอสภาพแบบนี้เราไม่พ้นนะถ้าไปเห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปนะถามว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นไหมเนี่ยะครับอบายทุกติวินิบาสนารกเนี่ยพ้นไหมเคยคิดไหมครับว่า ผู้หญิงทั่วๆไปในเรามีสิทธิ์ไปอยู่ในคันได้เกือบทุกเจ้าเลยนะครับเนี่ยนะในสังเวทโอ้โหเนี่ในท้องของแต่ละคนเราสามารถไปปฏิสนธิอยู่ในนั้นหมดนะพอเราไม่ได้ตัดเชื้อแห่งปฏิสนธิอันนี้เลยห่างนั้นแต่แล้วอบายทุกพภูมิเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไปหมดนะครับถ้าเผลอเมื่มอไหรก่ก็เอานะถ้าไปแล้วก็โอยอย่าหวังว่าจะได้กลับมาง่ายๆเลยนะครับเป็นแมวอย่างงี้ก็ไปหาอะไรหาขาบหนูหาอะไรไปงัน้นไง เขามีฟังธรรมก็น่าจะมานอนแถวนี้ฟังธรรมบ้างวาไมมเอ้านะครับมันก็เป็นลักษณะนั้ น, นก็ท่องเที่ยวตลอดการไม่ล่วงป้นสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็เอเป็นอย่างอื่นเื่ออบายทุกขติวินบาตเนี่ยก็มากมายถึงจะไปสู่สุขติบ้างก็ชั่วระยะสั้นๆนะครับเมื่อเทียบกับอบายแล้วก็โหสุขตินี่อยู่ไม่นานนะครับแลวผมก็ตัด อีกบางแห่งว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีนะครับมันสมบอยู่ในอกนะนะไฟอื่นๆยังพอมองเห็นควันคนอื่นยังช่วยดับปั้งแต่ไฟคือราคะแผลดเผาอยู่ในอกในหมาไฟเสมอด้วยราคะไม่มีแล้วก็โทษเนี่ยเสมอด้วยโทสะไม่มีนะครับมันกางกั้นหมดแหละเพมันเราถูกการ ม, มาราคะเผาจิตของเราถูกเผาด้วยนะตรงนี้เป็นใครครับพระองค์หนึ่งนะครับที่เคาะกะโหลกชื่อว่าพระ วังคีสันะครับไปบิณฑบาตกับพระอนนท์นะครับ <Okay. S 1> โลภะกาเริบนะครับท่านก็เล่าให้พระอนนท์ฟังนะ <Okay. S 1> แล้วก็อีกที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ที่ถูกราคาย้อมย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมลงมุมตกไปสู่ตาข่ายที่ตนเองทํำฉะนั้นอันนี้ตรัสกับใครครับนะครับ <Okay. S 1> น่าจะตรัสกับพระนางเขมานะว่าผู้ที่ถูกราคาย้อมมันนะก็ตกไปสู่กระแสตันหา เหมือนแมงมุมเนี่ยนะครับที่มันตกไปสู่ตาข่ายที่ตัวเองทำไว้นะันะนะอันนี้ก็กล่าวถึงพระสูตรที่พิจารณาเพื่อให้ละโลภะนะครับจริงๆนะถ้าหากว่าผู้มีบุญก็ควรท่องทรงจำไว้นะครับเวลาถ้าว่างๆเอามาสาธยายมาใคร่ควรวนมาพิจารณาว่าโอ้โหนี่ถ้าโลภะมันเกิดนะเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้จริงๆหรือเปล่านะครับ ถ้าจะถ้าจะจําเอาไว้พิจารณาไว้เล่นงานโลภ้าภายในนะครับเอาไว้จัดการกับฆ่าศึกภายในนี้ก็เป็นอาวุธที่น่าสนใจมากนะครับที่ควรท่องควรสาทะยายควรใคร่ควรวญทีนีเ้เราอาจจะไม่เป็นเองก็เห็นคนอื่นเขาเป็นนะครับเราก็เอาสูตรนี่มาใส่ธะยายดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพระหนุ่มนเนรนน้อยก็เอาสาธยายดูสิว่าเอ๊ะเป็นไปตามคําสอนนี่ไหมสําหรับผู้ที่มีครอบครัวเป็นต้นะนะเนื่อ เราก็เอาสาทยาเหล่านีมา้มาเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พรหมจรรย์ น, นี้ให้สืบยาวต่อไปนะครับ <L un ters> ก็ความในประมาธทีปณีอัตกถาคุธกานิกายยติวุตกาะนะครับต่อจากครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงผู้ที่ประสงค์จะละโลภะนะครับเห็นโทษของโลภะเนี่ยนะ ปสงค์จะละโลภะก็ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติคือบำเพ็ญปริญญา3ประการคือยาตะประิญญาตีระประิญญาแล้วก็ปะหานาปริญญาปริญญาทั้ง3ประการนั้นจะมีรายละเอียดกว้างขวางข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความบริสุทธิ์นี้พึงพิจารณาโทษของความโลภก่อนพิจารณาโทษของโลภะแล้วก็บำเพญ็ญหรือว่าปฏิบัติเพื่อละ โลภะนั้นโดยนิยต่างๆทีนี้วิธีบําเพ็ญนัเบื้องแรกจะต้องศึกษาพระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงโทษของโลภะจากที่ต่างๆนะครับหมายความว่าจะลาโลภาก็ต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องกําจัดโลภะนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าความโลภนี้ให้เกิดความพิรุษ น, นะครับความโลภนี้ยังจิตให้กําเริบภัยเกิดแต่ภายใน ชนย่อมไม่รู้ถึงภัยนั้นคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมนะครับความโลภครอบงำคนผู้บอดมืดตลอดการนะหมายความว่าถ้าหากว่าโลภครอบงำแล้วก็บอดตลอดนะครับเพราะว่าโลภานี้เกิดร่วมกับวิชาด้วยคนที่ถูกราคะยอมครอบงำย่อมยีจิตนะครับ มีจิตยึดถือแล้วย่อมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างปล้นสะดมบ้างทำคนอยู่ในเรือนหลังเดียวบ้างตกอยู่ในอันตรายบ้างล่วงเกินภรรยาคนอื่นบ้างพูดปดบ้างอันนี้ก็ลักษณะของตัณหาถ้ามันได้ช่องมันกำเริบเสบสารมากขึ้นนะครับมันก็ไปล่วงอกุศลกรรมบดอย่างอื่นๆอีกมากมา ย, ย, ยก็คือปล้นไงครับเกี่ยวกับเรื่องปล้นตัดช่องย่องเบาทั้งหลายแล่ น, นั่นเอง ตันหานั้นเมื่อสมณะพราหมณ์ผู้เจริญไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตกอยู่ในตันหาก็ทำให้สะดุ้งวันไหวได้เหมือนกันนะครับผู้ที่เต็มไปด้วยความโลภความปารธนาความมุ่งหวังนะจิตใจมันก็วันไหวตลอดและครับไม่สงบหรอกบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดเวลายาวนานไม่ล่วงพ้นสังสาระนะครับอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้ อีกแข่งพง์ก็ตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีเราถูกการมาราคาเผาจิตของเราเนี่ยถูกเผาด้วยนี่ก็คือพระวังขีศะผู้ที่ถูกราคาย่อมย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมลงมุมไปสู่ตาข่ายที่ตนเองทำฉะนั้นนี่ก็คือ ผู้ที่จะละโลภะเนี่ยนะครับก็ต้องหาพสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้พรรณนากล่าวถึงโทษภัยต่างๆของโลภะก่อนอผู้ที่จะละโลภะนี้ชั้นต้นเลยนะครับต้องคํานึงถึงโทษภัยของของเขาให้ดีก่อนนะครับถ้าไม่รู้จักโทษของโลภะเพียงพอก็ไม่รู้จะละไปทําอะไรใช่ไหมครับเหมือนกับคนจะละยาเสพติดเนี่ยนะก็ต้องรู้คํานึงถึงโทษภัยทั้งหลายแลของยาเสพติดก่อนในเป็นเบื้องแรกนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับธรรมะทั้งหลาย6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามาราคะได้นะถ้าประสงค์จะละโลภะก็ธรรมะเหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการโลภะคือการถืออวสุภานิมิตนะครับการถืออวสุภานิมิตนั้นบางทีก็หมายถึงทั้งอสุภฌ า, านด้วยหมายถึงอารมณ์ของอสุภะด้วยนะครับการบําเพ็ญอสุภาภาวนา การเจริญกุศลที่เป็นไปกับอสุภาอารมณ์นะครับหรือว่าการคุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อระ ง, งับโลภะเหมือนกันการรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับโลภะก็ไม่กลุ่มรุมนะการคบมิตรดีนะครับได้เพื่อนดีก็ไม่กลุ่มรุมแล้วก็การสนทนาเป็นที่สบายนะครับการสนทนาเป็นที่สบายก็ละโลภะ แต่ที่กล่าวนี้ละแบบตทางค่าประหารกับวิคัมพน้าประหารนะครับจริงอยู่แม้เมื่อถือเอาอาสุภาษณิมิต10อย่างอาสุภะกรรมฐานเนี่ยนะครับก็ละการมาราคะได้คําว่าอาสุภาษณ์อย่างก็ได้แก่อสุภาษทีนะ่ตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองเป็นซากศพหน้าเกลียดเป็นต้นนั่นเองนะครับ เนีอย่างที่หนึ่งนะเมื่อถือเอาอาสุภาษณิมิตนะครับจับอารมณ์ที่เป็นอสุภาษไว้มากๆจําภาพอาสุภาษให้แม่นๆ น, นะครับถ้าหากว่ า, าทรงจําอสุภาษทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็สามารถที่จะละโลภะได้นะครับแม้เมื่อขวนขวายบําเพ็ญอสุภาษภาวนานะครับหรือในอสุภาษนะหมายความว่ากุศจเจริญกุศลที่มีแต่อสุภาษเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับที่มีวิญญาณ ด้วยการเจริญกายคตาสติคือในอสุภะที่มีวิญญาณนะครับในหมายคือว่าเอาคนเป็นๆ เ, เนี่ยนะมาพิจารณาก็คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็จะละราคะได้ทีนี้ในอสุภะที่ไรวิญญาณก็ด้วยพิจารณาศพที่ขึ้นพองเป็นต้นนะครับก็ละกามาราคะได้ศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองบวมเป่งเลยนะครับบางทีก็มีนอนมาช้อนบ้างนะฮะก็ ราคาก็จะละได้ไประดับหนึ่งลยนะครับเป็นประเภทตะทางคาประหารนะนี่อธิบายแบบข้อ2นะครับทีนี้ข้อ3ที่บอกว่ากการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะบอกว่าแม้การปิดทวารด้วยประตูคือสติโดยสํารวมในอินทรีย์มีใจเป็นที่6ก็ละการมาราคะได้คือพยายามไม่ถืออสุภานิมิตในอารมณ์ต่างๆโดยประการทั้งปวงเลยนะครับ คราว่าถ้าถืออะไรว่างามปั๊บเนี่ยรีบตัดออกไปทันทีเลยรีบใช้สตินะครับคำว่าสติก็คือให้ละลึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก็เลี่ยงไปคิดอารมณ์อื่นๆแทนนะครับอย่าไปปล่อยให้จิตเนี่ยนับแช่อยู่ในนั้นนะครับหันไปคิดอารมณ์อื่นๆก่อนหรือละลึกถึงพระธรรมคําสอนเป็นต้นก็ช่วยได้แล้วนะครับถ้าหาว่าจะเห็นก็อย่าไปดูซะรู้ว่ามันมีโทษก็เลี่ยงอย่าไปดูอย่าไปฟังเป็นต้นนะครับเคยได้ยินนะว่า บาปจะเกิดเพราะอารมณ์ใดก็เว้นอารมณ์นั้นเสียนะครับข้อที่สี่บอกว่าแม้เมื่อมีโอกาสกลืนคำข้าวสี่ห้าคำจึงดื่มน้ำแล้วรู้ประมาณในโภชนะเพียงเพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามปกติก็ละกามาราะได้เหมือนอย่างที่พระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ในเทระคถาว่าบริโภคคำข้าวสี่ห้าคำแล้วพึงดื่มน้า เพียงพอเพื่ออยู่อย่างสบายของพิสุผู้ปฏิบัติตนนะครับผู้ที่จะเจริญกรรมฐานบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยนะครับก็อย่าให้อิ่มเลยนะครับให้คิดว่าเหลือสัก4ีห้าคำจะอิ่มแล้วก็เดิมน้ำไปก็จะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามนี้กิเลส ก, ก็ไม่กลุ่มรุมใช่ไหมครับว่าอาหารนี่เป็นตัวกระตุ้น อากุศลวิตตกได้อย่างแรงมากนะครับ <c oughs> อย่างที่เรียกว่าอาหารบางอย่างนะเช่นน้ําตาลเนี่ยนะครับมันกระตุ้นโทสะได้มากจริงๆนะครับถ้าอาหารประเภทตะกูลเนื้อนมไข่ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับจะกระตุ้นโลภะมากเลยนะครับกระตุ้นความกําหนัดขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารถ้าเรารู้จักหลีกเลี่ยงก็ได้ไไได พ, พวกของหมักของดองนี่ก็เกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับั้นอาหารก็ถ้า รู้จักหลีกเลี่ยงอาหารก็อากุศลอันนี้ก็ไม่เกิดไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเพียงแต่หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ข้อปฏิบัติเพื่อละคลายจริงๆเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงไหนที่กิเลสมันย้อมจริงๆพิจาจรณาธรรมะอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้ราค่าเป็นต้นมันสางซาซะก่อนนะครับเจริญข้อปฏิบัติให้ราคาเนี่ยนะมันอ่อนกาลังลงก่อน แล้วกิงแกเกเรนวิปัสนาเป็นต้นจึงจะเป็นไปที่ละเป็นสมุทเฉทถ้าประหารได้นะครับหรือว่าแม้เมื่อคบคนดีผู้ยินดีในการเจริญอสุภะกรรมาฐานก็ละการมราคะได้นะครับคบเพื่อนที่เจริญแต่อสุภะนะไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เล่าเรื่องซากศพท่างร้านให้ฟังเลยนะอันนี้ก็ราคะก็ได้ถ้าไปเจอเพื่อนดีแม้วันห น, น, น, นึ่งเนี่ยนะคนโน้นก็งามคนนี้ก็สวยเป็นต้นนี่นะครับอันนี้ห่างนะครับพันโยศ ก, ก็เลี่ยงซะ ครับถ้าจะต้องนั่งเรือนั่งรถอะไรห่างๆก็เอาเฮอะครับไม่ต้องไปหยุดยัง้งอยู่ใกล้ๆหรอกนี่นะพวกพันานาคุณแห่งความงามทั้งหลายแลไรนี้นะครับนะแม้การสนทนาเป็นที่สบายถึงเรื่องอสุภะนะครับก็ละกามราคะได้ก็เอาอสุภะกระถามมาสนทนากันนะครับกล่าวถึงศักศพที่เป็นไปโดยประการต่างๆ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่การมณสิการโดยแย บ, บคายการทําให้มากการเพิ่มกําลังในอสุภานิมิตนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดการมฉันทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วพราะคำว่าอสุภานิมิตนี้หมายถึงทั้งอสุภะฉันด้วยและอารมณ์ที่เป็นอสุภะด้วยนะครับ อันถ้าหากว่าใส่ใจในอารมณ์ที่เป็นอสุภาษหรือว่าให้จิตเป็นไปกับอสุภาษณ์ชานมากๆอ น, นะถ้าโยนิโมสมนัสการแบบนี้มากๆกามาชันท่าที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วก็จักละได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแช่อยู่ในในอารมณ์นั้นนะครับกิเลสมันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงซะในวิตากาสันทานาสูตรก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอกุศลวิตตกได้ดีนะครับ ในมัชฌิมนิกายมูลปนาดควรจะดูนะครับรนในวิต ก, กะสันฐานสูตรนะครับมัชฌิมนิกายมูลปนาดนะครับ